จะพัฒนาศักยภาพของคนให้มีชีวิตแห่งปัญญาก็ต้องรู้จักธรรมชาติของชีวิตซึ่งจะทําหน้าที่ศึกษาอย่างไรก็ตามระบบการทํางานของชีวิตมนุษย์มีความพิเศษต่างออกไปจากระบบการทํางานของรถยนต์เป็นต้นกล่าวคือวัตถุต่างๆเช่นรถยนต์เป็นต้นแม้จะเคลื่อนไหวได้แต่ก็ไม่มีชีวิต ไม่มีเจตจำนงหรือเจตนามันจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ต้องมีคนมาขับขี่บังคับลำพังตัวมันเององค์ประกอบทั้งหลายทั้งระบบก็ทำงานเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นๆเท่าเดิมแต่ระบบการทำงานของชีวิตมนุษย์ไม่ได้วนอยู่ในวงจรเท่าเดิมอย่างนั้นมนุษย์มีเจตจำนงหรือมีเจตนาและมีคุณสมบัติพิเศษเช่นปัญญาเป็นต้นทาให้การเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษย์ มีการปรับตัวปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของตัวมันเองและจัดการกับสิ่งอื่นภายนอกได้ด้วยการทํางานขององค์ประกอบทั้งหลายของชีวิตมนุษย์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นระบบการเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตซึ่งเราก็จะต้องศึกษาให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของมันและการที่องค์ประกอบเหล่านั้นทํางานสัมพันธ์กัน ในการที่มันจะเป็นอยู่เจริญงอกงามพัฒนาไปและจัดการกับสิ่งอื่นๆภายนอกให้ได้ผลดียิ่งขึ้นชีวิตมนุษย์ที่เป็นอยู่หรือดำเนินไปทั้งระบบนี้อยกองค์ประกอบได้3 ส, ส่วนใหญ่คือ 1. การเคลื่อนไหวติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจและการแสดงออกต่างๆ ซึ่งปรากฏออกมาทางกายวาจาจะใช้คำตามภาษาสมัยใหม่ว่าพฤติกรรมก็มีความหมายแคบเกินไปขอแต่งเป็นคำใหม่ว่าพฤติสัมพันธ์ 2. เบื้องหลังการติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรมที่แสดงออกก็มีกระบวนการทำงานของจิตใจ เริ่มตั้งแต่เจตจำนงคือความตั้งใจเพราะการติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากเจตนาคือมีความตั้งใจจงใจนอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจเป็นตัวกำหนดอีกชั้นหนึ่งว่าจะตั้งใจอย่างไรแรงจูงใจนี้มีทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีเช่นความรักความโกรธความอยากรู้ ความลุ่มหลงความเคารพความปริษยาเป็นต้นแล้วก็มีความสุขหรือความทุกข์อยู่ในใจอีกซึ่งเป็นตัวกำหนดหรือชักจูงความตั้งใจนั้นเช่นว่าเพราะอยากได้สุขจึงเคลื่อนไหวทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะอยากหนีทุกข์จึงเคลื่อนไหวทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นการติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรม จึงไม่ได้เกิดขึ้นมา ล, ยลอยๆแต่มีปัจจัยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังคือกระบวนการของจิตใจหลายอย่างที่ปัจจุบันมักเรียกเพียนไปว่าอารมณ์เป็นด้านที่สองในกระบวนการทำงานของชีวิตเรียกสั้นๆว่าจิตใจ3 ในการเคลื่อนไหวติดต่อสัมพันธ์ทางพฤติกรรมนั้นคนต้องมีความรู้รู้เท่าไรก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทางพฤติกรรมได้เท่านั้นถ้าไม่รู้เลยความตั้งใจทำพฤติกรรมก็ทรงเดชเรื่อยเปื่อยพอมีความรู้บ้างก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทางพฤติกรรมได้ผลขึ้นบ้างถ้ารู้มากขึ้นการตั้งใจเคลื่อนไหวทางพฤติกรรมก็จะซับซ้อนและจะได้ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นความรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากซึ่งทำให้เราตั้งเจตจำนงได้แค่ไหนว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็เคลื่อนไหวทงพฤติกรรมออกไปตามนั้นเพราะฉะนั้นดานรู้จึงเป็นดานใหญ่ด้านหนึ่งของชีวิตได้แก่ปัญญาถ้าเราพัฒนาปัญญาเราก็จะขยายมิติและขอบเขตทั้งของด้านจิตใจและของด้านพฤติกรรมออกไปทั้งหมด พฤติกรรมของมนุษย์ที่พัฒนาออกมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่รวมๆกันเป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมนั้นก็เกิดจากเจตจำนงตางมอำนาจของแรงจูงใจเช่นความปรารถนาที่จะเอาชนะธรรมชาติทำให้อารยธรรมตะวันตกเจริญมาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือเจตจำนงซึ่งอยู่ในด้านจิตใจแต่เจตจำนงนั้น เกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขของความรู้เขามีความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างไรก็มีความเชื่อยึดถือและคิดไปได้อย่างนั้นแค่นั้นแล้วก็ตั้งเจตจำนงต่างๆที่จะทําพฤติกรรมภายในขอบเขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแดนปัญญาคือความรู้จึงยิ่งใหญ่มาก ลักษณะสําคัญของกระบวนการดําเนินชีวิตของมนุษย์คือการพัฒนาศักยภาพในการที่จะดําเนินชีวิตให้สามารถอยู่รอดและอยู่ได้อย่างดีงามมีความสุขยิ่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นจนถึงความเป็นพุทธะในที่สุดตกลงว่าชีวิตมนุษย์ที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหว ดำเนินไปท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนี้ยากเป็น3ด้านคือ 1. นึพฤติสัมพันธ์ 2. จิตใจ 3. ปัญญานี่คือการแยกองค์ประกอบของชีวิตอีกแบบหนึง่งตามหลักพระพุทธศาสนาเรามักจะติดอยู่แค่การแยกแบบกายกับใจซึ่งเป็นการแยกเพื่อความรู้เข้าใจ แต่เอามาใช้ปฏิบัติได้น้อยถ้าเราจะนำพระพุทธศาสนามาใช้ในระดับปฏิบัติการในการทำกิจการต่างๆโดยเฉพาะในการพัฒนามนุษย์และในการพัฒนาสังคมจะต้องก้าวมาถึงการแยกในระดับกระบวนการดาเนินชีวิตคือแยกเป็นสมด้านหรือ3มแดนอย่างนี้ถึงตอนนี้เราได้ครบแล้วเหมือนที่บอกเมื่อกี้ ในตัวอย่างเรื่องรถยนต์ซึ่งมีการแยกแยะสองระดับคือแยกตอนจอดอยู่นิ่งๆให้เห็นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและแยกตอนทำงานคือวิ่งแล่นไปว่ามันทำงานอย่างไรแต่ในเรื่องชีวิตมนุษย์เราแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบสามระดับคือหนึ่งแยกองค์ประกอบตามสภาพหรือในภาวะอยู่นิ่งเฉย่นแยกเป็นรูปบวกนามกายบวกใจขันห้า 2. องกให้เห็นระบบการทำงานขององค์ประกอบต่างๆในกระบวนการหรือวงจรความสัมพันธ์เช่นแยกแบบปฏิจจสมุปบาทยากให้เห็นระบบและกระบวนการดาเนินชีวิตที่องค์ประกอบสามด้านมาร่วมกันขับเคลื่อนชีวิตให้เป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ แยกเป็นสมด้านหรือสามแดนคือด้านสัมพันธ์ภายนอกด้านจิตใจและด้านปัญญาเมื่อได้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วก็ขอจบเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เท่าที่พอจะใช้แค่นี้ก่อน